ตอนที่สิบห้าสมคบคิดปองร้ายหูหญินเท่าชาติก่อนอ้าป่ากกะคนบาปงับคําก้นังแพทย์สยาเมื่อยันนี้กลับทําเป็นเมตตาปราณีสนิทสนมเสียเหลือเกินหากข้ารู้แต่แรกว่าแม่นางเสียชิงจือมีเจตนาร้ายต่อท่านย่าของข้าเมื่อวานข้าไม่มีทางช่วยนางแน่น้ําเสียงของเยี่ยเยาเฉียบคมดุดันทำเอาคนทั้งสาสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเสียชิงจือที่ถูกระบุชื่อถึงกระพอบตาแดงก่าขึ้นมาทันทีถ้าข้าเปล่านะ ถ้ากับผู้หญิงถ้าไม่มีความแค้นต่อกันทั้งยังไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันด้วยซ้ําจะมีเจตนาร้ายได้อย่างไรท่านอาหยิงพี่เซินพวกท่านย่อมรู้ดีชิงจือเป็นคนอย่างไรพวกท่านย่อมกระจ่างแจ้งที่สุดนางปาดน้ําตาด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจทําให้หวางเฟยและหลิงเซินรู้สึกปวดใจขึ้นมาทันทีเด็กดีอย่าร้องเลยอหยิงย่อมรู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนเช่นนั้นหลิงเซินจ้องมองเย่เยาว์ตาดุดคมดาบข้อกล่าวหาของเจ้าไม่มีที่มาที่ไปออกจะเกินไปหน่อยแล้ว หากเป็นพระเจ้าเกลียดข้าจนพานไปลงที่ชิงจือก็ไม่จําเป็นคนที่ทูลขอราชาองค์การพระราชาทานสมรสคือซื่อจื้อผู้นี้เจ้ามีอะไรก็มาลงที่ข้าร้อนตัวเสียจริงเป็นอย่างที่คิดหลินเซินผู้นี้มาจะปกป้องเสี่ยชิงจือโดยไม่สนผิด ช, ชอบชั่วดีเสมอทั้งที่รู้ดีว่าเขาไม่ใช่บุรุษที่ควรฝากฝังชีวิตไว้แต่ความทรงจําจากชาติก่อนยังคงจ่าชัดย่อมทําให้เยียรู้สึกเจ็บปวดอย่างเลี่ยไม่ได้ ชาติก่อนนางอุ้มท้องห้าเดือนไปอ้อนวอนขอให้เขาคุ้มครองลูกในครันแต่เขากลับบีบปรามของนางอย่างแรงน้ำเสียงเย็นเยียบดุดน้ำค้างแข็งเจ้าเลิกเสแสร้งต่อหน้าข้าได้แล้วไม่มีใครคิดจะทำร้ายเจ้าชิงจือจิตใจดีงามไม่ใช่คนโหดเที่ยวมอมหิดข้าแต่งงานกับเจ้าก็เพื่อลูกในท้องแต่อย่าคิดว่าจะใช้เรื่องนี้มาข่มขู่ข้าให้ได้ขึ้นจะเอาศอกใส่หัวกลับห้องของเจ้าไปเห็นหน้าเจ้าแล้วข้าก็นึกถึงเสด็จพ่อที่ถูกเจ้าทำร้ายจนตายนึกถึงเหล่าทหารที่ถูกครอบครัวเจ้าข่าตาย เขาช่างสรรหาคำพูดมาเชื่อเฉนใจคนได้เก่งนักยี่เยาหลับตาลงใบหน้าเล็กๆขาวซี่เผือ่อยลินเซินเห็นทุกอย่างในสายตาเขาขมวดคิ้วเงียบๆความแค้นมหาศาลที่นางมีต่อเขานั้นไม่มีที่มาที่ไปแต่มันกลับดูสมจริงอย่างยิ่งนางเข้าใจอะไรผิดไปหรือหลงเชื่อคำลวงของใครมาไม่ว่าอย่างไรลินเซิก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก นางออกจะฉลาดหลักแหลมและระแวดระวังเพียงนี้ขไหนจึงแยกแยะข่าวลือหรือความเข้าใจผิดไม่ออกเมื่อนางลืมตาขึ้นอีกครั้งแวอตาเต็มไปด้วยความเย็นชาล้ำลึกยินเยียบจนหัวคิ้วของลินเซิร์ขมวดมุ่นเป็นปมตายในสายตาของซื่อจือ่อนางย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์จิตใจดีงามขาวสะอาดหมดจดไม่เคยทําเรื่องชั่วร้ายแม้แต่นิดเดียวใช่หรือไม่ลินเซินยิ้มไม่ชอบใจวอตาที่ดูมีความแค้นฝังลึกของนาง นางกับชูเฉือไม่ได้มีใจรักใคร่ต่อกันถึงแม้เขาจะพรากกว่าสนาที่นางต้องการไปแต่มันก็ไม่ควรจะมีความแค้นลึกซึ้งถึงขั้นเป็นศัตรูคู่อาฆาชเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังทําเพื่อสถานการณ์ส่วนรวมเมื่อสองตระกูลเกี่ยวดองกันขจัดความบาดหมางจึงจะสามารถร่วมมือกันต้านทานศัตรูภายนอกได้เรื่องขุนเคืองเพียงเล็กน้อยเหตุใดายนางต้องเจ้าคิดเจ้าแค้นถึงเพียงนี้ชิงจือเติบโตมาในจวนอองภายใ ต, ใต้สายตาของพวกเรานางเป็นคนอย่างไรข้าย่อมรู้ดี หากเจ้าเกลียดข้าจริงก็พูดมาตรงๆอย่าได้สาดน้ําโคลนใส่นางอีกเปลอไฟที่เยี่ยยอุตสห์กดข่มไว้พุ่งพล่านขึ้นหมาอีกครั้งข้าสาดน้ําโคลนใส่นางนั้นหรือเจ้าดูเอาเองเถิดว่านี่คืออะไรลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิมที่ท่านยาสวมมาครึ่งปีถูกเยี่ยยวสบัดใส่ลินเซิรนเขาใช้มือเดียวรับไว้ได้อย่างสง่า ง, งามและรวดเร็วเมื่อเห็นว่าเป็นลูกประคําเขาก็ชะงักไปครู่หนึ่งและจําได้ทันทีว่ามันเหมือนกับที่เห็นในร้านเจริญเป่าใจเมื่อวาน เขาหันไปมองเซี่ยชิงจือนี่คือของขวัญวันเกิดที่เจ้าบอกว่ามอบหาหุหินเท่ามาครึ่งปีก่อนใช่หรือไม่เซี่ยชิงจือย่อมจำได้ในปราดเดียวนางพยักหน้าเย่ออุเสียด้วยความโกรธแค้นจึงตบโต๊ะดังปังที่แท้เป็นเจ้าที่ส่งมาเขาเป็นขุนพลฝ่ายบูเมื่อคำรามด้วยความโกรธเช่นนี้ทําเอาเซี่ยชิงจือสะดุ้งโยงร้องให้สะอึกสะอื้นซบลงข้างกายหวังเฟยนอกจากร้องให้แล้วนางก็พูดอะไรไม่ออกอีกหวังเฟยปลอบประโลมนางพางแทรกขึ้น นี่เป็นของขวัญที่ชิงจือมอบให้ฮูหยินเท่าเมื่อครึ่งปีก่อนจริงๆลูก ป, ประคำนี้มีกลิ่นหอมประหลาดหอมมากตอนนั้นข้าเองก็ชอบมากแต่หูหญินเท่าเลื่อมใสในพุทธศาสนานางจึงมอบให้ไปเมื่อวานชิงจือเห็นอีกเส้นที่ร้านเจิญเป่าใจจึงซื้อกลับมามอบให้ข้าดูสิข้าก็สวมอยู่เหมือนกันมิใช่หรือหวังเฟยชูข้อมือที่มีลูก ป, ประคำแบบเดียวกันแปะให้ดูหลินเซินปั้นหน้าเคร่งขรึมแค่นเสียงเย็น เมื่อครึ่งปีก่อนชิงจือมีน้ำใจมอบของขวัญให้เหตุใดพวกเจ้าถึงยังขุดคุยขึ้นมาหาเรื่องในตอนนี้อีกทั้งหวังเฟยและซื่อจือแห่งจวนซิ้นอ๋องรวมถึงคุณชายเปี่ยวอุสานำของขวัญมาขอบคุณถึงบ้านด้วยตัวเองจวนกัวกงกลับไม่ต้อนรับตามมารยาซ้ำยังใส่ร้ายป้ายสีตามอําเภอใจพวกท่านปฏิบัติต่อแขกเช่นนี้หรือเหมือนชาติก่อนไม่มีผิดนอกจัดจะไม่แยกแยะผิดชอบช่วดีแล้วยังเริ่มกลับดําเป็นขาวอีกด้วย ยี่ยาโกรธ จ, จนหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงที่สภัยทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วซื่อจื่อช่างไม่แยกแยะผิดชอบชัว่วดีไม่ถามถึงสาเหตุก็หาว่าพวกเราขุดคุยเรื่องเมื่อครึ่งปีก่อนขึ้นมาหาเรื่องเช่นนี้ซื่อจื่อไม่นับวเป็นการใส่ร้ายตามอำเภอใจหรอกหรือพวกเราเห็นแก่ น, น้าโจนสิ้น อ, องหรอกนะถึงได้ต้อนรับพวกท่านทั้งสามอย่างมีมารยาทมิเช่นนั้นที่สภัยแค่นเสียงเย็นสําหรับตัวการที่คิดร้ายต่อฮูหญินเท่าของพวกเราคงถูกไม้ตะพดรุมกระหน่ำตีแล้วจับกุมไปนานแล้ว สีหน้าของหลินเซินและมารดาเปลี่ยนไปทันทีสิ้นหวังเฟย์เพิ่งขึ้นตัวการร้ายอะไรกันแค่ลูกประคำสายเดียวจะทําร้ายหูหญินเท่าได้อย่างไรหลินเซินสำทับเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชื่อเสียงของจวนซีนอ๋องพวกเจ้าอยากได้กล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันลอยๆหลักฐานก็อยู่ในมือท่านอย่างไรเล่าเย่เย่าก้าวไปข้างหน้าพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิบนี้ไม่ใช่ลูกประคำธรรมดา ท่านรู้หรือไม่ว่าของสิ่งนี้ในแดนประจิมมีไว้ให้บูรุษใช้เพื่อบำรุงโลหิตเสริมกำนัดและท่านรู้หรือไม่หากสตรีสวมใส่ไปนานวันจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงหรือถึงขั้นสิ้นใจได้เลยทีเดียวทั้งสามคนเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงสองแม่ลูกหันขอบไปมองเซี่ยชิงจือพร้อมกันเซี่ยชิงจือหล่นลานข้าข้าไม่รู้ข้าไม่รู้จริงๆว่าของสิ่งนี้จะมีสรรพคุณเช่นนั้นนางยังพูดไม่ทันจบ สิ้นหวังเฟยก็รีบถอดสายประคำที่ข้อมือออกอย่างรวดเร็วแล้วโยนให้หลิงเซินราวกับมันเป็นอัรที่ส้ายเมื่อเห็นสิ้นหวังเฟยทำท่ารังเกียจเบียดฉันเช่นนั้นเซี่ยชิงจือก็รู้สึกเจ็บปวดใจยิ่งนักนั่งแอบกำมัดแน่นแล้วโต่อยแยงเป็นไปไม่ได้ลูก ป, ประคำหอมวิเศษแดนประจิบนี้หากสงมใส่เป็นเวลานานย่อมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจะทำร้ายคนได้อย่างไรต่อให้กลิ่นหอมนี้จะประหลาดไปบ้างจนบางคนอาจไม่คุ้นชินแต่ก็ไม่ควรจะร้าแรงถึงเพียงนี้ บางทีการที่หูหยินเท่าล้มป่วยอาจไม่เกี่ยวข้องกับลูกประคําหอมวิเศษแดนประจิมนี้ก็ได้สิ้นหวังเฟยได้สติจึงรีบดึงตัวเสี่ยชิงจือมาโอบ ก, กอดไว้เพื่อปกป้องใช่แล้วใครจะพิสูจน์ได้ว่าอาการป่วยของหูหญินเท่าเกิดจากลูกประคําสายนี้เย่เยารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาต้องแก้ตัวจึงเชิญท่านหมอหลี่ออกมาท่านหมอหลี่เคยเป็นถึงเจ้ากรมสํานักหมอหลวงหลังจากลาออกก็คอยดูแลจวนกัวกง ม, มาโดยตลอดท่านย่อมรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับร่างกายของท่านปู่และท่านยา่า สิ้นหวังเฟยและซื้อจือสามารถสอบถามด้วยตนเองได้เลยว่าอาการป่วยต่างๆของท่านปู่และท่านย่าเกิดจากลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิบนี้ใช่หรือไม่สิ้นหวังเฟย์ที่กอดเสี่ยชิงจืออยู่ส่งสายตาให้หลิงเซินหลิงเซินถือสายประคำทั้งสองเส้นเก้าเข้าไปหาท่านหมอหลี่สองเกท่านหมอหลี่ท่านแน่ใจจริงๆหรือว่าอาการป่วยของเหล่ากัวกงและฮูหญินเท่าล้วนมีสาเหตุมาจากลูกประคำหอมวิเศษแดนประจิบนี้ เรียนซื่อจื่อมั่นใจแน่นอนขอรับหากซื่อจื่อและสิ้นหวังเฟยยังมีข้อสงสัยสามารถให้สำนักหมอหลวงมาตรวจสอบอย่างละเอียดได้หากเรื่องถึงสำนักหมอหลวงย่อมต้องสะเทือนไปถึงฝาบาทสิ้นหวังเฟยจึงแอบสายหน้าส่งสัญญาณให้หลิงเซินเงียบ